أعوذ ب الله من الشيطان الرجيم بما غفر لي وجعلني من المكرمين بما غفر لي وجعلني من المكرمين ท่าน كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَلَمْ يَرَوْ ุนอัลญะรุ่งกัมอัลลัคหน้าบัลล ن َ ا ل ْ ق ُ ر ُ و ِุ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 Um na, na, nah ya, uti, a l l a h um u ا m a bika asbahna wabika amsayna wabika nahya wabika namuti wa ilaika nushur أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيء بالله رب و بالإسلام دينا و بمحمد الرسول ا ل ل ه h u m m a inni ك u z u b i k a min al-kasir ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر a ل l a h عافني في بدني وعافني في سمي وعافني في ب ص ر ي الحمد لله a l l a h ف ا ت ر السماوات والأرض عالم الهيب والشهادة ربي كل شيء وملك أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشرك وأن أ ع ت ر على نفسي و ء ا ً أو أجره إلى مسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما فيها ا ل ياو لخير ما بعدها ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر Assalamualaikum warahmatullah i wabarakatuh. Perniagaan ruan, nama, khabjamaah di masjid, di rakaat yang lain, dan pihak yang mengikuti tafsir Al Quran yang duduk di rumah anda. Pihak yang lain, Allahumma Jalal. Kita harus memikirkan Allah. Hati kita harus mengutamakan Allah lebih dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Karena memikirkan Allah membuat hati kita tenang. นะครับนึกถึง so, อัลลอฮ์เนี่ยชมอัลลอฮ์สรรเสริญถึงอัลล์มีอยู่หลายประโยก็ทวนไปทวนมานะให้มันจนะุบฮานัลลอฮอัลฮัมดุลิลลลอิละอัลลอฮุบฮานัลมลิกิกุดดุส ف ر ا ل ลอละอิลละอัลลอฮฮูลาชรกละละุลมุลกวะละุลฮมวะวะลกุล ا อินกด ประโยคนเหล่านี้เนี่ยเราทวนนะครับเลือกประโยคหนึ่งประโยคใดก็ได้วันหนึงสักห้าร้อยพันสองพันให้มันติดติดติติ ด, ต, ด, ต, ด, ต, ดติดในสายเราเลยนะครับขอบคุณอัลลอฮ์นะครับที่เราทบทวนอัลกุรอานนี่อัลลอฮ์ให้นะอย่าคิดว่าความสามารถของเราแหะที่เดินมาหนามาที่มัสยิดได้นี่เพราะอัลลอฮ์เมตานะ แล้วก็เรามานม า, มาสยิมาที่มัสยิดนะครับแล้วก็มาทบทวนอัลกุรอานอัลลอ์บอกไว้อันนี้ยิ่งใหญ่นะยิ่งใหญ่การฟังคุรานเนี่ยคาทบาณิดนการฟังคุรานเนี่ยมีอยู่หอย่างการฟังกุรานเนี่ยมีอยู่ห้าอย่างหนึ่งตั้งใจอ่านหรือตั้งใจฟัง อ่านกับฟังเนี่ยคืออ่านเองนะอ่านเองที่บ้านหรือมาอ่านที่มัสยิดแล้วก็ตั้งใจฟังตั้งใจอ่านเรื่องที่หนึ่งนะเพราะการตั้งใจนี่เรียกว่าเนียดใช่ไหมเหนียดในมีผลระบุบนะเรื่องที่สองทำความเข้าใจหาความเข้าใจจากอุรอ่านที่เราอ่าันนี่แหละ เราอ่านกันกี่อายาเนี่ยหาอายาถึงไหม <c oughs> ประมาณนั้นะนะหาความข้าใจจา ก, กุรานี่แหละถ้ารู้สับเป็นบางคำเอาล อ, อาท่องสับด้วยมีส ม, มุดเล่มนึงบันทึกสับทุกสับเก็บเอาไว้นะอายาละสองคำสามคำข้อที่สมเชื่อเชื่อเลยว่ากุระในยา น, นีนะ่ะสอนเรื่องนี้เราเชื่อเลย อันที่สีเรามั่นใจบางคนเชื่อแต่ไม่มั่นใจเชื่อไม่เชื่อแต่ไม่ใจไม่มั่นใจแบบนบีอิบรอฮิมยกตัวอย่างนบีอิบรอฮิมอลัลลอฮบอกว่าฉันเนี่ยเอาเอาคนที่ตายให้ฟื้นได้นบีถามฉันไม่มั่นใจ เราถามว่าไม่เชื่อหรือเชื่อนะเชื่อแต่ไม่มั่นใจแสดงให้ดูหน่อยเดี๋ยวว่าลังอธิบายแสดงยังไงนะครับเรื่องที่สี่มั่นใจนะเรื่องที่ห้าเนี่ยนำเอาไปปฏิบัติเลยหรายการนี้จะทำให้เราเนี่ยเรียกว่ามั่นอยู่นะอยู่กับอยู่กับศาสนามั่นอยู่กับอลัลกุรอานมั่นอยู่กับคำสอนของ อ, อัลลอ ที่ผ่านยิบรีตมหาท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลันอุบดซาลัมอามีอยู่ห้าอย่างนะูดมาหนึ่งตั้งใจอ่านตั้งใจฟังสองหาความเข้าใจอันที่สมเชื่ออันที่สี่มั่นใจอันที่ห้านำมาไปปฏิบัติ นำมาไปสอนด้วยอธิบายด้วยไปตํารีกด้วยดาว่าด้วยอะไรด้วยโอ้มาตามมาเยอะงานเยอะแต่ถ้าทําแค่สี่รายการข้อที่ห้าไม่มีรางวัลไม่มีเลยนะ่ะเพราะอามันเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดอ่านกุรานเข้าใจใช่ไหมแล้วก็เข้าใจคุรานด้วยแล้วก็เชื่อด้วยมั่นใจด้วยแต่ไม่ทำเพราะไม่ทําในรางวัลหมดเลยนะนี่ต้องการจะ เตือนตัวผมเองเอว่าเราต้องมี5รายการฮัมปแล้วอ่ะวันนี้เรามาดูกุรานที่เราทบทวนกันมานะมาครั้งที่แล้วเนี่ยอายาที่เทไรนะยี่สิบหกตีลดัชูลิลจันนะอ้ลยาไลตะกามีอัลเมู ตี ล, ة, ลาดเข้าลิลจันน์ตอบว่าข้าว่าตีลาเนี่ยแปลว่ามีเสียงพูดว่าหรือได้มีผ้า ด, ดํารัตว่าก็มาจากอัลลอฮ์นั่นแหละนึกเองก็ได้มีเสียงพูดว่ายังไงอุดคูลิลจันพาไปสวรรค์เลย คนจะไปสวรรค์มันต้องตายก่อนจะมาเนี่ยเขาตายแล้วตายธรรมดารู้ถูกฆ่าตายถูกฆ่าตายเขาทำอะไรถูกฆ่าตายเขาทำชั่วเหรอคือทำดีทำดีเขาเชิญชวนคนให้รู้จักอัลลอ์เขาเป็นคนซ้อนแล้วเขาเป็นคนมีอี م านเขาเป็นคนที่มีอามันที่ซ้อนแล้วเขาทำงานศาสนาเขานามาดเขายื้อรุนละเขาอดทน บุษส์ทิ้งงานทิ้งการมาจากสถานที่ไกลใช่ไมมาที่เมืองอังตอเกียเนี่ยทราบข่าวว่ามีมีผู้รู้สามคนมาสอนอิสลามชาวบ้านในแอนตี้ใช่ไหมแต่ชายคนนี้นะ่ะมาจากต่างจังหวัดนะรีบมามาบอกญาติพี่น้องว่าเองไปทะเลาะกับ เ, เขาทำไมเขามาสอนศาสนามานำเรื่องดีเอาความสอนจากอัลลอ์มาให้คุณนะ่ะไอพวกนี้ รวมตัวกันทำให้ฆ่าเลยไงตายพอตายเสร็จแล้วเนี่ยนะยังห่วงอีกเห็นยังครับขนาดตายแล้วเนี่ยอลัลลอ์เล่าให้ฟังนะอัลล์เล่าให้ฟังว่าไ้คนตายเนะ่ะเขาห่วงเขาห่วงญาติี่น้องเขาที่รุมฆ่าเขาเนี่ยเ <c oughs> ขาให้อภัยหมดเขาต้องการจะบอกว่าชาีไิไปสวรรค์แล้วนะ <c oughs> แล้วก็ ยาไลตะเก้ามียาละโมถ่าพวกของฉันรู้เนี่ยอ๋อฉันนี่นะสอนศาสนานะมหาคุณมาเตือนคุณฉันถูกฆ่านี่นะฉันไม่ได้มีอะไรเลยฉันดีก็การจะรู้ว่าฉันได้ไปไหนไปสวรรค์แล้วถ้าพวกคุณรู้ก็จะดีอัอเพาะงอ้นนอนนอ น, นสบายไปกัน้วันนอนอยู่ในกุโบเนี่ยนอ น, นสบายพะไปฝังแล้วใช่ไหน้อ็งนอ น, นสบาย เรื่องที่คนเรื่องคนตายจะเล่าให้คนเป็นฟังน่ะเา เ, าเล่ายังไงเลยมหมหลังจากตายเขาได้รับอะไรบีมากลฟารอลีโอ บ, บีถึงข้อที่พระผู้อภิบาลของฉันกอฟารอลีได้ทรงอาภัยแก่ฉันแล้วเห็นอย่างครับคนที่ทำงานาศาสนาที่เป็นมุสลิม คนที่อดทนทำงานศาสนาเชิญชวนคนไปหาอัลลอ์แล้วก็ตัวเองทำความดีด้วยทำอัมมันด้วยนมาดด้วยถือศีลอดด้วยทาชีวิตของเขาทำแต่ของดีมาตลอดตายแล้วไปไหนขนาดถุงฆ่าตายเนี่ยบีมาอกอฟารรอลีตายแล้วได้ไปสวรรค์พอเข้าสวรรค์ปั๊บเนี่ยอัลลอ์ให้อะไรรู้ไหมสองอย่างอกอฟารอลีอภัยโทษให้ฉันหมดเลย สบายใจไหมโหออากูว่า น, นี่อันโซรอยาซินเป็นอยางงมัสบาใจนะถักทะลุความหมายนะถ้าไม่รู้ก็ก็แบบทำแบบไม่รู้นั่นแหละนะแบบรู้ดีกว่าข้อที่สองัวจา่าละนีมินัลมุครอมีและทรงทาให้ฉันเป็นผู้ที่มีเกียรติคนหนึ่งพี่น้อง ก, ก็นึกภาพเองคนอยู่บนดุยาเนะี่ยเวลาเขามนุษย์ให้เกียรติเป็นยังไงอะ กัมองดูจุลานายกจะไปไหนก็คน ต, นตอนหน้าตอนหลังใช่ไหมล่ะเรื่องภาพดุนยานะแต่ในสวรรค์นี่มันยิ่งกว่านี้กี่เท่าแล้วียับแอนดุนยานะแค่สแอมเปิลตัวอย่างเป็นหนังตัวอย่างให้เห็นเท่านั้นเองมีคนตอนหน้าตอนหลังตอนรับรรอะไรแต่ไรหนูแต่อยู่ในสวนสวรรค์นี่มันนี่มันมันมากกว่านี้ไม่รู้ว่ากี่เท่าอะะ่ะท่านงานาศาสนาอยู่กับศาสนา เอาทำดูเลยละเพี่นน้องจะตายในสภาพไหนก็ตามจะถูกฆ่าตายหรือตายเองก็ตามได้ไปสวรรค์หมดพอได้ไปสวรรค์แล้วกอฟารอลี Allah อัลลอฮฺอัยาโทษให้ฉันวาจาและนีแล้วก็ทาให้ฉันมินัลมุครามินอยู่ในหมู่ผู้ได้รับเกียรติผู้ที่มีเกียรติคนหนึ่งได้ได้ได้ที่อย่างสองอย่างตัดสินอธิบายไว้ได้สองอย่างนะ สาเหตุที่ได้หนึ่งเขาเข้าสวรรค์เข้าสวรรค์ทําไมเพราะเขามีอีมานเขามีอามันที่ซลแล้วเขาอดทนอบรมดูแลลูกญาติพี่น้องเขาอุตสาหไปทาาํางานสารณะที่นั่นที่นี่ที่นี่ที่นั่นถูกด่าบ้างอะไรบ้างอดทนไม่เคยโต้อตอบไอมารางวัลมีหมดเลยล่ละครับดูดิเลยวันนี้ตั้งพกเ ร, พราพอเข้าใจยานี้แล้วสบายนีอย่างตัว น, นี้เพิ่มขึ้นเลยใช่ไหม ทะเลาะ ก, กับคนนี้ไหมไม่มีใครด่า ช, ช, ช่วยช่วยท่าให้อภยัยเถะดูตัวอย่างนาบีมุฮัมมัดนะไปเมืองตออิบถูกกี่เรื่องถูกด่าใช่ไหมถูกไล่แล้วก็ถูกไลถูกขว้างให้อภยัยมาคนนี้ก็เหมือนกันเนี่ยมาก่อนหน้นานบีมุฮัมมัดสมัยนบีอีซาและฮิสาลามถูกฆ่าถ้าพวกเราก็ถูกอย่างนี้เราก็หนีแล้วใช่ไหม อันนี้ก็ยืนสอนอีกอ่ะเพื่อนมันรวมเลยฉะนั้นอยู่กับศาสนานี้แหละอย่างนี้ก็จะว่าตายอะไรถ้าตายสหยอัลลอฮฺอัลลอฮฺนี่พออ่านคุณอานอะไอิมานมันเพิ่มอย่างเงี้ยนะพออิมานเพิ่มแล้วก็ตักวามันก็ตามมายะกินยาสานอิคลาดมันตามมาเต็มเลยการให้อภัยมีไหมการบริจาคมีไหมมีหมดตามมาหมดเลยอัลอลอฮฺอัลลอฮฺแต่ดีมีตน อาทิตย์นี้คำว่าตีล่าเนี่ยอันนี้ตีล่าให้เชิญมีเสียงว่าให้ไปสวรรค์ไอ้ตีล่ามีเสียงไปนรกก็มีเอาเล่าให้ฟังเลยใ น, นสุรตะห์รีมภรรยาใครอะภรรยานบีรายสองคนนบีลูดกับนบีนุ่ห์ไอ้ไอศราภยาของท่านเนี่ยพอตายแล้วเนี่ยมีเสียงพูดอย่างนี้ quila ดัชฮุลัน q u l a q u l a ดัชฮลันนะรมาอัตต์ดาคือนี่เมียนบีนะพอตายเสร็จแล้วมีเสียงพูดออกมาพาสองคนนี้ไปนรกอันควรคนที่หันหลังให้กับอิสลามหันหลังให้กับอิสลามหันหลังให้กับสุนนะนบีให้กับอัลกุรอานไม่เชื่อวันเตียมะ ไม่เชื่อว่าตายแล้วฟื้นไม่เชื่อว่ามีการสอบสวนในโลกอาคือรักฉันไม่เชื่อเลยนี่นะพอตายเป็นไงครับตีละเดอคูลนันมีเสียงพูดว่าจงพาสองคนนี้อาจจะตายคนละสมัยก็ได้พาไปไหนครับนารพาไปนรก มาอดดาเซลีนไปอยู่ร่วมกับคนที่เข้าร่วมหน้าไปแล้วมีอีกเยอะๆสมัย น, นู่นน่ะสมัยนู้นมีใช่ไหมสมัยอาดัมอิปโรฮีมคนไม่เอาศาสนาเยอะอะไรมาจับอยู่ในโรกหมดเลยเ น, ยนี่ยลองเล่าให้ฟังเรื่องจิงทั้งหมดถางว่าคนไม่เอาศาสนาเนี่ยอยู่บนดุนยาเนี่ยอร่อยไหมอร่อยนะาไม่มีอะไรมาปวดหัวทำให้เครียดไม่มี ไม่เครียดเลยเพราะว่าเดินตามอารมณ์ตัวเองละครมาเป็นเพื่อนใช้ยตอเป็นกรีนเป็นเป็นเพื่อนเป็นเกลอทําเลยทําเลยทําเลยทําเลยกินเล่าเกินเลยยิงยิงเลยดา่าด่าเลยโปดปดทุกคนะทําไมฟาโร่จะจับนําบีมูซาฆ่าทําไมอ่ะก็ใจมันโหนะคนไม่มีอิมานเนี่ยแม่ล่ะ คนไม่มีอิมาเนี่ยมันทำอะไรได้ทุกเรื่องล่ะทะเลาะกับคนก็ได้โอหด่าก็ได้มั้ยได้วางแผนทำลายได้หมดเลยเพราะคนไม่มีอิมาแต่ถ้ามีอิมามีตักวามียกตีมีอิสซามีอิคลาสมีสุนัานบีมาหม่ยกากับชีวิตนี่ไม่กล้ากลัวกลัวกลัวกลัวทำนีได้ยินเสียงกาัตริย์มีแรงเนี่ยจะไปมัสยิด แย่นี้เป็นต้นนี่อธิบายเพื่อเข้าใจง่ายๆนะครับทําไมเมียน บ, บีลูดภรรยาน บ, บีอะไรนะลูดกับนัวไปนะเพราะไม่มี إ ي م านเพราะไม่มีตักวาเพราะไม่รู้จักอัลลอฮ์แล้วก็ไม่เชื่อที่สามีสอนนี่ไม่เชื่อเลยนะเห็นยังครับไม่เชื่อเลยแล้วไปไหนไปนระกนี่เอาล่ามให้ฟังก่อนนะเอาไม่เชื่อก็ได้ไม่มีปัญหาเชิญตามสบาย หนาทีรามีแค่ทีละสอนถ้าม <player> ่เชื <en> <ot chat> ่อก็อินาเล่ยเอาต่อมาครับอายาที่เท่าไรี่สิบแหวมาอันซาลนาลาควูมิฮิมบัดฮิมบัดฮมินจุนดิมินอัล ว َمَا كُنَّا م น ن ز ِ ل ِ ي ن َอันซลน่าอลาข้ามิบะดีมิบะดีมินจุนดิมินอِลส์มะวม م คุณَ์มะมุนَ ا ลิ ل َัลลَฮฺَัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺ ถามว่าอัยะที่ต้องการจะเตือนบอกว่าคนที่รุมทั้งทั้งทั้ ง, งหมู่บ้านเน่เข็นฆ่าชายคนเนี้อ่ะถามว่าอาลัลลอฮ์โกรธไหมอ่ะอัลลอฮ์โกรธครับอลัลลอฮ์โกรธไม่เล่านะครับพิภุร า, า, า, า, า, าเลยนะอลัลลอฮ์โกรธะเวลาโกรธแล้วเนี่ยลงโทษเลยัหมลงครับการลงโทษนีอยู่สองแบบแบบที่หนึ่ง ลงโทษในรูปของการทําสงครามส่งทหารมาอะไรมาจะมาขั้นตอนมันยาวอ่ะข้อที่หนึ่งข้อที่ส อ, อย่างเนี้ยสงครามบาดาสนะสงครามบาดาสนี่สฮ า, าบานะบีรวมกับนบีประมาณสามรกับสิคนคนกาฟิรินมุชิลกินมุนาฟิกิ น, กนจากมัตการเนี่ยเดินทางไปมาดีหน้าต้องการจะไปสงครามกวนนบีนะ่ะพันกว่าคน แล้วก็ลรอให้ใครชนะให้นบีชนะมีทาหารเท่าไรสารอ้อไอน้นุ่นพันกว่าส0 0รอยเนี่ยใครมาช่วยอีกมาอะไกัลงมาจากชันฟ้ามาช่วยนบีนั่นเป็นการลงโทษชนิดหนึ่งมองดูไม่มีอะไระแต่ถ้าอ่านกุรานเออดีใยเรื่องที่สอง ไอ้ขั้นตอนแบบนี้เป็นการลงโทษมันก็ช้ามีอีกขั้นตอนหนึ่งลงโทษแบบไวๆเลยอย่างนี้อะไรน บ, บีลูธใช่ไหมพวกน บ, บีลูธเนี่ย ท, ท, ทั้งประเทศเลยเนี่ยก็ทาอะไรกันผู้ชายกับผู้ชายแต่งงานกันกระช่ภาษาเพาะตอนนี้อนุมัติยังอัจบาลน่ะ อย่างเงีให้กะพูชากะพูชาแต่งงานกันได้เรื่องนี้มันสมัยนู้นมีมาแล้วอ่ะอลัลลอส์สงใครมาสงนบีลูดมาเองอย่าละเลิกซะเลิกซะเลิกซะเลิกซะพอไม่เลิกเนี่ยอลัลลอก์ก็ลงโทษห้ารายการในเวลาเดียวกันทำไมตั้งห้าเราไม่พูดไปมันยาวาพูดตรงนี้ ว่ามาอัญจนาล拉เกามิฮิมิมบาดีและเราอัลลอฮมิได้ทรงมาอัญจนาไปว่าเราไม่ได้ส่ง阿拉เกามิฮิแกมูชนของเขามิมบาดีห <ài> ลังจากที่คนคนนั้นตายหลังจากคนที่เขาฆ่าตายเนี่ยหลังจากเขาถูกฆ่าตายแล้วเนี่ย อรรอบไม่ได้สรงทหารลงมาลงโทษพวกเขายุนดินแปลว่าพลทหารที่มาจากชั้นฟ้าจารบุญชันฟ้าเนี่ยมีทหารเยอะมากเนี่ยงงเป็นทหารของใครของอรรอบหมดเลยอ่ะเราต้องเนืกก้อจะอยู่บนโลกดุจยาใบนีนะ้อยู่ข้างล่างอย่างไรล่ะทหารอรรอบอยู่ข้างบนและทหารส่วนใหญ่ลงเวลาลงมามาทําอะไรเรื่องดีเรื่องชั่ว มันมีทั้งดีทั้งชัว่วกั่นแหละก็ส่วนใหญ่พลลงมาแล้วก็เรียบร้อยไม่มีใครรอดสักคนหนใช่ไม่ได้สมัยนบีลูดเนี่ยไม่ได้รอดสักคนก็ตายหมดเลยนี่ชาคนนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถูกฆ่าตายแล้วอลัลลอฮ์ไม่พอใจอลัลลอฮ์เลยเล่าว่าฉันนี่นะไม่ได้ส่งพลทหารลงมาจากชั้นฟ้าซึ่งเป็นมลลอยกะฉันไม่ได้ส่งมาเลยนะแต่เขาฉันลงโทษแบบอื่น วามากุนามุนซิลีนและเราไม่ใช่เป็นผู้ทรงทหารเหล่านั้นซึ่งเป็นมาลาอิกะลงมาอาลัลลอฮ์เล่าให้ฟังนะอลัลลอ์โกรธอลัลลอ์ไม่พอใจอลัลลอ์หมันไส้พูดภาษาเงินนะหมันไส้ดูสิทูดของฉันนะั้นฆ่าได้ดูสิถามว่าคนที่ฆ่านาบีของอลัลลอฮนะ์น่ะมีมากเยอะ พวกไคนำยิฮูดีเนี่ยนำนะพวกยิวเนี่ยนำนำผู้คนฆ่านาบีของอลัลลอฮ์มาหลายคนแล้วคนสุดท้ายนาบีอิสซาเนี่ยต้องการที่จะฆ่าเสร็จแล้วอลัลลอฮ์ก็ยกขึ้นไปบนชาฟตาแต่พวกนี้ยังเชื่อว่าจับแล้วตึงบนไม้กางเขนอยู่แต่กุรานบอกไม่ใช่อันนี้น่าคนปลอมน่าคล้ายคล้กับนบีอิสซาะอะไรทีสุ นี่อัลลอฮ์่าให้ฟังมปนเรื่องจริงทั้งหมดพี่น้องไม่เชื่อก็ได้ไม่มีปัญหาหรอกใช่นะ่ะแต่เชื่อดีไหมโอ้โหถ้าเชื่ออดีมาเราก็เพิ่มขึ้นนะตัวร้องว่าคนที่ทําบาปทุกคนอัลลอฮ์เอาโทษไหมเอาครับแต่บางทีก็เอาแบบนั้นนะเอาแบบไว้กับเอาแบบชานบดุลเี๊ยนัลมาดเรานี่นะขอดว้วยต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะ เบาชั้นคนหนึ่งคนใดทั่วโลกจะอยู่ตรงไหนก็ตามเวลาก็ทําผิดอย่าเพิ่งลงโทษมีอยู่คนเดียวที่ขอว่าังเนี่ยอย่าเพิ่งลงโทษอ๋อจ๋าเพราะเป็นบาวของท่านน่ะประวิงเวลาไว้ก่อนอย่าเพิ่งลงโทษเผื่อให้เขาได้เต่าบ้าตัวสารภาพผิดต่ออล๋อให้ไปเรียนศาสนาซะถ้าไม่เรียนศาสนาต่าบ้าตัวไม่ได้ จะเป็นคนดีได้ยังไงไหนเะมื่อไม่เรียนอิสลามนะไม่เรียนกุรานไม่เรียนสุนนะนบีจะรู้ได้ยังไงอะ่ะทหารหลังให้ก็ยิ่งอร่อยเห็นไหมนี่ไงนบีหุ่มัดคนเดียวนะที่ขออัลลอฮ์อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งลงโทษนี่อย่างนาบีค่อนก่อนจะลงโทษไหมลงโทษหมดเลยนะอันนบีนัวให้ทําอะไรมาน้ำท่วมตายหมดเลยอะ่ะยกเว้นคนที่ขึ้นเรือ ฟาโรตายไหมตายมูซารอดเห็นไม้มลงโทษเลยแต่ในยุคของ ม, องมูฮัมมัดเนี่ยเป็นยุคเดียวประชากรตั้งเจ็ดพันล้า น, นไม่เอาศาสนาเยอะไหมน บ, บีก็เครียดนะมุชอไม่เครียดนะอลัลลอ์จะอาจจะเพิ่งลงโทษถ้าจะลงก็ลงแบบโควิดนี่แหละนี่ผมมั่นใจว่าอาลัลลอ์ส่งส่งโทษนี่มาผมมั่นใจอย่างนี้เลยนะ โควิดจะมามาเตือนนไงเตือนเตือนเตือนเจ็ดพัน 7, ล้านเน็ตขายาวหมดเลยนะ่ะทุกคนกลัวหมดเลยนะ่ะใช่หรืไม่ได้ทําไมต้องใส่แมสเ <c oughs> พราะเรากลัวแต่นี่ปือต้นละ่ะนี่อีมานเราเพิ่มนะท่านพอโรคโควิดมาอาซาบมาในอีมานมันเพิ่มสําหรับผู้ที่ศรัท ธ, ธาต่อลรอที่น บ, บีพูดเอาไวนะ้น่ะ ว่ามาอันซาลนาเด็กเขาม่ให้มีบาดีเราอัลลอฮไม่ได้ส่งไพ่พลหรือว่าทหารซึ่งเป็นมะลาะยิกาเนี่ยลงมาจากฟากฟ้ากแก่มูชนของเขาเพื่อการลงโทษนะเราไม่ได้รีบส่งขนาด น, นั้นนะหลังหลังจากที่ชายคณนั้นได้เสียชีวิตลงได้ถูกฆ่า และเราไม่ใช่เป็นผู้ส่งมะลกะรการลงมเนี่ยพูดสองครั้งรับไม่ได้ส่งมะเร็กกามาทำลายพวกเขานาถ้าส่งมาทำลายเดืขั้นตอนมันยาวฉันัดขั้นตอนเลยรัดทำไงครับอยายะห์ที่ไรนะยี่ิบเกาอิกนกาณ์อิลสอยฮะตวาฮิดะ فإذا หุมขามดาิด ح ح ูดอิงกะนัดอิลลัซัต์อ واحد า فإذا หุมขามิดูอัลลอฮฺอักขั้นตอนแรกอายาที่ย8สบปดเนี่ยมันช้าฉันลัดขั้นตอนอิงกานัด การลงโทษมันไม่ใช่อื่นใดอินแปลว่าไม่ใช่อื่นใดกาณสิลาอิลานอกจากซอยหัตถ์เสียงอะไรนะเสียงดังดังเสียงกัมปนาตเพียงเสียงเดียวว่าให้ด็ดตัดนี่เป็นการทำลายแล้วฉันส่งเสียงกำปนาตเพียงเสียงเดียวลงมาทำลายประชาชนที่เค้นฆ่าคนดี คนเดียวนะค่าคนเดียวเนี่ยอรอยยังไ่ไว้อย่งเอาเรื่องเห็นนะบางรายงานว่าค่าทั้งสามคนเลยสี่คนด้วยแต่ว่าส่วนใหญ่มองว่าค่าคนเดียวอ ะ, ะจะเป็นค่าสอง่าสามก็สี่ก็ค่าคนดีเห็นยังครับเขาอีมาต่ออัลลอฮ์เขามีตักวาเขามียากรีนเ้าทำงานาศาสนาเขาถือศีลดีเขาหนามาดเาอดทนเนี่ยไปฆ่าเข้า่า เราบอกวะฉันลงโทษเขาแบบไหนครับซอยฮาจันเสียงอะไรเสียงดังดังเสียงกัมปนาศวาฮาดันเพียงเสียงเดียวเท่านั้นเราเคยได้ยินไหมตอนนี้เราม่เคยได้ยินเท่าไหร่นะเนี่ยเาเล่าให้ฟังในอดีตเนี่ยพี่น้องเราเนี่ก็อร่อยจริงๆคนสอนศาสนามานี่จับเอาข้ามหมดเลยก่อนหน้านาบีมุฮัมมัดสมัยนบีอิสาอรัอาร พอไปเสียงกามานานมาเนี่ยเป็นยังไงครับฟายราหุมคอเมดูนคงว่าคอเมดูนแปลว่ามายีตูนตายเรียกไม่เหลือสักคนนึ่งฟายราหุมเมื่อนั้นแล้วเมื่อนั้นพวกเขาดับมอดหรือเป็นขี้เท่าเลยขี้เท่านะถ้วขี้เท่าจ่าต้องเป็นนึกภาพสิเอารอบผู้ว่าขี้เท่านะมาถึงตายอะ่ะ เวลาเร า, าเผาเผาอะไรเผาอะไรเผาไม้เนี่ยเหลือเป็นอะไรนั่นหละคนก็เหมือนกันเลาอลอออนแอจะตายมนุษย์นะแต่ทำไมมันดื้อแล้วกินล่ะ <laughs> ตกลงว่าอัลลอฮ์นี่โกรธอัลลอฮ์เล่านะฉันไม่จะส่งทหารลงมาแบบทำสงครามสงครามบดงบดดัดบ้างเออได้หมดเลยนะครับว่ามันขั้นตอนมันช้า ฉันเล่นแบบใหม่เป็นการลงโทษแบบกระทานหารส่วนอะไรมานะเสียงกปัปนาเสียงดังๆตะคอกลงมาแก้วหูมันแตกอยู่ไม่ได้อ่ะทันหมดเลยนะ่ะีมีคนถามว่าเสียงของใครอ่ะคำตอบก็คือในตำรุอิลนกักซีบอกว่าเสียงของท่านยิบรีนอาไลฮิสลาวยิบรีนห0ร้อยปีก่ะห0ร้อปีค่ะ แล้วก็ร่างขนาดไหนอ่ะถ้ามีเสียงต่อข้ออย่างนี้มันจะรอดหรือไซฮาตันมีเสียงกัมปนาธเพียงเสียงเดียวตายเรียบหมดเลยนี่แสดงว่าลงโทษแบบกระทานนารใช่หรือไม่ใช่นี่คุรันแบบนี้อัลลอฮฺวักบัสไฟซาหุมไมยตุนลำตาบกอมินหุมบาคียาตันตัมซีดหลายๆเรื่องอธิบายว่าไม่เหลือสักคนหนึ่งตายเรียบหมดเลยนะครับ ถามว่าตายแล้วจบหรือไม่จบจบไหมไม่จบคนที่ไม่อ่านกุณอ่านคิดว่าตายแล้วจบใครบอกคุณอ่ะตายแล้วถูกลงโทษต่ออีกวิญญาณมาอยู่ที่ไหนขนาดพระยานบีลูดอยู่ที่ไหนตีลาดคูลันนาลงนรกต่ออีก น, นชีวิตในหลังบันทถ้าตายยัสภาพที่มีอิมานคลีลาดคูลันจันนะ เข้าสวรรค์ลเลยบิมาอัลฟารลรอฮีรอ บ, บีวาจาลันีมินัลมุครอมีนอัลลอฮฺอภัยโทษในฉันหมดแลว้วแล้วก็ให้เกียรติฉันอยู่ในสวรรค์อยากจะให้ที่บ้านรู้อยากจะให้ประชาชนในหมู่บ้านรู้ว่าฉันอยู่สบายจริงจี้ทำงานศาสนาเนี้ตายแล้วไปสวรรค์ลเลย อัลฮัมดุลิลลาห์เนผลจากการอ่านอ่านกุรอานศึกษาอัลกุรอานผู้ชาสบายเป็นอัลฮัมดุลิลลาห์ที่ผมพูดให้ตอนต้นว่าอ่านกุรอานต้องมี5อย่าง 1. ตั้งใจฟัง 2. หาความเข้าใจ 3. เชื่อ 4. เป็นอะไรนะมั่นใจมั่นใจเนี่ยสำคัญอะ แค่มั่นใจอย่างเดียวไม่ไม่ไ ม, ไ ม, มีอามัณได้ไม่ไม่ได้ต้องมีอามัณฑเพราะอ่านแล้วพอใจเชื่อแล้วก็มั่นใจแล้วก็ทําเลยเนี่ยนั่นก็เราก็ทงานศาสนาเราเนี่ยหนึ่งตัวเองตอกนามัยครบห้างานนี่นะมีอยู่หอย่างเราต้องปฏิบัติสม่ําเสมอหนึ่ง อ, อ่านคุมภีรสมร่ําเสมออัสสรฟาตติทิพายมาแล้วเนี่ย อ, อ่านคัมภีรสมร่ําเสมอน้ำมารยาขาดเลยแล้วก็เก็บนมารสุนัขให้หมด สมบริจาคสม่ําเสมอมีน้อยหรือมีมากก็าตามแต่บริจาคสม่ําเสมอข้อที่สี่ยึดรุ่นล้อสม่ําเสมอข้อที่ห้าขอดูอาสม่ําเสมอมีอยู่หอย่างหนึ่งอ่านกุรานน้ำมันกับกุรานเนี่ยเราพูดนะอนน้ำมานอ่านกุรานก่อนนะแล้วน้ำมานที่หลังนะอย่างน้อยสามสี่อายะนะผมนั่งเช็คดูทำไมอ่านกุรานก่อนนะี พักกูอานด้วยความรู้ไอ่านกูอ่านก่อนแล้วก็ตามด้วยนามาศใช่ไหมแล้วก็ตามด้วยอะไรบริจาคเห็นอย่างครับเงินไม่มีก็ บ, บริจาคยิ้มใช้ ไ, ไปยิ้มให้อภยัยโอ้โหนี่การบริจาคที่ยิ่งใหญ่เนียนะให้อย่างนี้นะสุขภาพดีด้วยนะละพุชาร์ดีดีนะสุขภาพดีไม่ดีขอน้ำในตัวเรามีเท่าไหร่เจนะ แล้วก็อะไรเขาะอะไรนะเขากะภาษาอังกฤษบา่าไงตะกอนโมเลกุลโ <laughs> มเลกุลในน้ำเนี่ยเวลาอ่านกุณอา่านซึ่งตลอยเยอะ น, น้ำสวยได้ไม่สวยโมเลกุลออกมาสวยนะไปไหนมาไหนล่างหน้าตาสดชื่นห้ามจลินเลยเขาทุกเรายิ้มเห็นนะอ่านี้คุต้นเอาต่อมาครับตัวรองว่าอัลลอฮ์ลงโทษนะอา่า เพราะว่า ไ, ไปทำลายคนดีแต่ในยุคนี้ทำลายคนดีถูกคำดีถูกฆ่าเยอะไหมเยอะมากครับมุสลิมถูกฆ่าเต็มไปหมดเลยทั่วทุกประเทศในโลกก็มีข่าวออกมามีเนี่ยคนไทยนี่แหละพูดอาจารย์มหาวิลาัลนิด้าเนี่ยพูดว่าเยฮูดีนะไซออนนิสเนี่ยวางแผนทำลายคนถ้ารู้แล้วเริ่มรู้แล้วแต่กูอ่านเพื่อนมัน 1, 400่พัน1ี่รอปีไมีนีใครเชื่อไงแต่ถ้าต่ออาจารย์นิด้าพูดต้งเชือ่อ อิลลอินกาณ์ทัอิลลซอยฮะต์วาฮิดะการลงโทษนั้นไม่ใช่อื่นใดอิลลซอยฮะตันนอกจากเสียงอิลา์แปลว่านอกจากเสียงอินแปลว่าไม่อิลา์แปลว่านอกจากเสียงัำประหน้าเสียงดังๆเพียงเสียงเดียวครั้งเดียวหมายถึงการลงโทษโดยฉับพลันแล้วเมื่อนั้นพวกเขาดับมอดเหมือนขี้เท่า อดีตมันต้นใ น, ในอดีต น, นเล่าให้ฟังนะครับแต่ในยุคนี้นบีขอดุอาว่าอัลฮัมดุลิลละขอบคุณอัลลอฮ์ที่ขอดุ่าให้เราประวินเวลาว่ามีลงโทษเพื่อให้เราเรียนสหันมาเรียนแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองต่าบ้าเสียใจแล้วก็เรียกร้องคนอื่นทําด้วยรออักบมันยิ่งใหญ่จริงๆนะอาต่อมาครับ คำว่าซอยขาตันว่าขาดันมันมีอยู่หลายคำในคัมภีรุรานอธิบายอย่างนี้วันมันมีอยู่เครียกว่าซอยฮักก็น้าฟ้าเสียงเป่าอะไรนะเป่าเป่าอะไรนะเป่าที่เป่าเลยนะตายหมดเลยที่เรื่องจริงทั้งหมดพอถึงวันที่มาอัลลอฮฺให้ญี่ปุ่นนี่แหละกำมีมันเลยก็เป่าสังเดียมาเต่าที่เป่าตายหมดเลยเสียงดังพวกัน แล้วก็เป่าอีกทีหนึ่งฟื้นหมดเลยเรียกว่าสอยห้างนันกันสร้อยหายา้าดาวหัวหิเดตาฉะนั้นนับีก็ล่าบ ว, ว่าวันกิยาม่ามาฉับพลันเหมือนกับเราเนี่ยพับผ้ายังไม่ทันเสร็จเลยวันกิยาม่ามาอุลมามะอธิบายต่อกำลังเอาข้าวใส่ปากพอมาถึงตรงเนี้ยังไม่ทันข้าวปากจะมามาแล้วปุ๊บครั้งเดียว นี่ภาพในวันเกียร์มากมีจริงครับพรต้องนึกแล้วก็วันเกียร์มากเนี่ยมาวันไหนมาวันไหนวันศุกร์ด้วยความฉลาดนาบีเนี่ยวันศุกร์มุสลิมไปไหนไปมัสยิดแล้วตัวคนต้องอาบน้ า, นาก่อนใช่ไหมต้องใส่เสื้อผ้าสะอาดใช่ไหมทำไมาต้องสอนอย่างเนี้ถ้าเองตาในวันศุกร์มันมันพร้อมแล้วนะ่ะตัวก็สะอาด ใส่เสื้อใหม่นำหอมมีด้วยอัลลอฮฺอักบาร์ค น, นั้นมันตายกันหมดใครอาบใหอ้อ่ะไม่มีคนอาบเลยต่างคนต่างตายหมดเลยนะ้องนี่ไงเชื่อนบีมูฮัมมัดอย่าเอนตี้ซุนานะนบีโัลลอฮฺอักบาร์ซุนานะนบีนะสวยเราเด็นคนดีหมดเลยความประธรรมอัลลอฮฺอักบาร์เอาอย่าพูดเยอะเข้าเรื่องเข้าอายะที่30 يا ح ัสดุ على ا ل ع ب َ د ما ي ดะِาเยติมีรัสูลินอิล ت ากานูบียัสเตฮซิอุนَาพัสดุ์น ไม่ตีมมีรสนิลยากานูบิฮิยัสตาซอูนอัลลอฮุอักฮิวอะบัรอัยานี้เตือนนะครับยัสตาซูนเนี่ยเอาไปตรงนี้ก่อนสับนี้นะพวกเขาเย่ะเย้อ ยัส ah ตาซิอูแปลว่าพวกเขายเย่อเยยดูถูกเหยียดหยามยเยอะเยยดูถูกเหยียดหยามเนี่ยเอาล้อเล่าให้ฟังนิสัยของมนุษย์ที่แอนตี้อิสลามเนี่ยพวกเขาอะไรยะเยอะเยยดูถูกเหยียดหยามดูหมิน่นดูแคลนในภาษาไทยกว้างมากเยอะเย้ออะไรยะเยอะเย้อคุรานเยอะเย้อสุนน่านบี เยอะเย้ยมูฮัมมัดวันที่น บ, บียังมีชีวิตอยู่ในตะกรัมา ก, ก้าเนี่ยถูกย่อเย้ยไหมล่ะแล้วคนที่ย่อเยยน่ะญาติน บ, บีหมดเลยใช่ไหมอับดลบูจาฮัตะไคหลายคนเราทลายหมเลยนแต่ทลายแบบชาชอ้าคนที่ย่อเยนบีมูัหมัมีอยู่คนหนึ่งอบุาๆๆลาเนยะหนเาลายหมดเลยนะแต่ทลายแบบชา้อาอ้าวคนที่ยอเยยน บ, บีมูฮัมหมัดมีอยู่คนนึ่งอบลบูนี่ระหลาคเราทาหมเนะทลายแบบช้าชอาวนี่นะ่อเย น, น, นะ ตับบะยาดาบีละฮับิวอัตบะแปลว่าอะไรครับตับบาแปลว่าพินาตยาดาสองมือของอบูละครับตับบพินาตไปแล้วพินาตเพราะอะไรคนเป็นเจ้าพ่อเจ้าพ่อมะกา้าเป็นลุงนบีญาตินบีด้วยแล้วก็ถูกทำลายทำไมอ่ะทำลายแบบไหนหรือเปล่าโรคชนิดหนึ่งเป็นโรค มันเม็ดขึ้นที่ตัวและโรคนี้เป็นโรคติดต่อแบบโรคโควิดต้องอยู่ห่าง<ม><ม>แล้วก็ครอบครัวก็เอาอบูลฮับเนี่ยเป็นพ่อนะเป็นเจ้าพ่อด้วยคนดังด้วยทุกคนให้เกียรติหมดมีตังค์ด้วยขี้เหนียวด้วยนี่สิฟัตเขาสิฟัดเขากระโนละฮับขี้เหนียวแล้วก็ส่ร้ายอิสลามดูถูกอิสลาม แล้วก็วางแผนฆ่าหลานตัวเองนบมนีมุฮัมมัดสุลลามหลังนบีไปยืนไปเดินสอนแล้วก็เดินตามหลังไปอย่าไปเชื่อมุฮัมมัดมันบ้านี่าภาษาเรานี่มาเรื่องจริงอุูนหะดีสมหมดเลยนะตอนสุดท้ายตายยังไง ร, รู้ไหมิดไปรโรคฝีดาษไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ก็เอาพ่อเนี่ยไปวางไว้ในบ้านคนเดียวเลยนะ ต่อมามาเสียชีวิตคนเดียวไม่มีใครรู้จนกระทั่งมีกลิ่นอะไรมีกลิ่นเหม็นแล้วที่บ้านพวกงจะรู้ก็เอาธาดเนี่ยสมัยก่อนนี่าตเยอะใช่ไหมล่ะไปให้จ้างธาตไปอุ้มอุ้มศพเนี่ยไปวางไว้ที่ดินแล้วก็ขุดหลุมตลก็เอาไม้แงะตกหลุมไปเลยถามว่าตายแบบนี้สง่า ง, งาไมไหมล่ะนี่โศกอะไรอ่ะ อามสุ น, นานบีศอนเนี่ยเวลาตาให้ทํากี่กี่เรื่องซีหนึ่งอาบน้ําใช่ไหมที่พิศ ส, สนานะสองห่อผ้ากี่ชั้นสอนด้วยสุ น, นานบีหมดเลยอ่ะแล้วก็ต่อมาพาไปขอดัาในมัสยิดนอกมัสยิดทำได้ ท, ทั้งสองแล้วก็พาไปฝังแล้วก็สอนะฝังแล้วขุดแค่นี้นะอ๋อบางบันหันหน้าไปทางไหนนอนประทางกีบลัด ผ้ากี่พืนนี่สุนุน้านาบีหมดเลยอถามมาบูลหะับมาตายทำแบบนี้เปล่าทำาปลไม่ได้ทำอ่ะเสียเกียรติรนาดไหนอ่ะบางคนไม่ได้ใช้ปัญญาทำไมถึงเสียเกียรติยัสตาซีกุนคนเหล่านี้เป็นคนที่หัวเราะเยาะให้กับอิสลาม ดูถูกเหยียดยามกุรานดูถูกเหยียดยามสุนนะนะบีดูถูกเหยียดยามตัวท่านนะบีเองวันนี้ใครก็ตามนะครับถ้ายออเยยนบียอะเย้ยสุนนะนบีย่อเย้ยกุรานยออเย้ยคำสวนของอิสลามจะอยู่ทั่วโลกประเทศไหนก็ตามเองเตรียมเตรียมตัวไว้กันแล้วกัน <c oughs> โหน่ากลัวนะโซยัซีเนตเตือนดีนะ ที่เราท่องกันจำอะท่องให้จำต่อไปแ ล, ล้วรู้ความหมายด้วยนะอย่าเลิกนะอย่าหยุดนะอ่านต่อกันไปว า, ายาตีหิมมิรซูลไม่มีรอสูลคนใดยะมายาตีหิมมายังพวกเขามายังพวกเขาไม่มีรอสูลคนใดในโลกที่มายังประชาชนในยุคคนก่อนนีด้วยนะอิลากานุเว้นแต่พวกเขา การูบิยาสตาซูนได้รับการเยาะเย้ยเยียหยันกันสมดทุกคนเลยไม่มีรอซูลคนใดที่มาแล้วไม่ได้ถูกเยาะเย้ยเหยียดหยันมีไหมไม่มีเห็นยังนี่อัลลอลเลาะห์เล่าให้ฟังเรื่องจริงเรื่องเท็จริงหมดเลยครับก็รอซูลของฉันที่มาแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยไม่มีใครถูกยกย่องให้เกียรติเลยส่วนยายเป็นไง ถูกดา่าถูกทำนี่ถูกนู่นถูกนี่รวมไปถึงต้องโครอะไรมูละมาที่ทำงาศาสนาทั่วโลกโอ้โหถาว่าศัตรูจ้องทำลายมันมีม ม, ม, มีครับนเนี่ยเเตือนแต่ว่ากลุ่มพี่น้องมุสลิมก็เยอะขึ้นไมาแล้วก็ปกป้องกันอยู่อะไรกันอยู่ขอองค์อาุานพี่น้องต้องขอดูอาที่ว่าน่ยห้าอย่างนี้นะหนึ่งอ่านคุรานสม่าเสมอนามาเดียาขาดบริจาคสม่าเสมอ แล้วก็ขอดูอายุกูลอปกป้องอิสลามถ้าห้ารายการไม่มีเนี่ยอลัลลอฮ์ก็ไม่ว่าฉันยังใหญ่เหมือนเดิมอิสลามก็ยังใหญ่เหมือนเดิมท่า น, นเพื่อต้องการให้เราเป็นได้รับรางวัลตอบแทนจากอาลัลลอฮ์ให้ทำห้ารายการสม่งเสมอให้อภัยด้วย <c oughs> <c oughs> ว่ามาอย่ไม่ใช่สิอยฮาหาสโลตันอาเลลโอ้นี่แปลผิดใช่ไหม อ่านผิดใช่ไหมใช่ป่ะยาฮาสรตันน่าเล่นเลยเบอร์แปลผิดแปลผิดผมอ่านอญญายะอื่นอญญายะที่30เนี่ยแปลว่ายาฮาสราตันโอ้น้าอนาฏโอ้น้าเสียใจยคนที่ถูกฆ่าไปแล้วเนะไม่ใช่สิที่เอาล่อลงโทษมาใช่ไหมเสียงกับะหน้าของของอะไรนะ ของจิบรินะตายหมดเลยเนี่ยล้วก็เล่าให้ฟังว่ายาฮะสโรตันอัลไอบาดโอ้น่าอนาตต่อสภาพของผู้ที่เป็นเช่นนั้นมายาติมนะครับไม่มีรอสูนคนใดนะครับที่มายังพวกเขาอิลลากานูบิยัสตาจิูนเว้นแต่พวกเขาได้ถูกเยอะหยันยเยอะเยะทุกคนเลย ขาดปรคำนิยาฮัสรอตันลหลาลายแบแต่ว่าหน้าอนาจิงจริงทำไมใช้ภาษานี้พอให้นบีมาแลว้วให้กุรอาน ล, ลงมาแลว้วสอนในกุรอาน ล, ละเอียดยิบเลยแต่ไม่เคยสนใจไม่เคยอ่านไม่เคยหาความรู้จากกุรอานยาฮัสรหน้าเสียใจ อ, อนาจิงจริง ส่งนบีมาคนหนึ่งไม่มีใครใส่ใจเลยส่งกุนอ่านมาเล่มหนึ่งไม่มีใครแตะไม่มีใครอ่านเลยแล้วก็ส่งอย่างอื่นมาอีกเอาก็ะมุนเลยส่งเพลงมาเอาส่งดนตรีมาเอาส่งนักร้องเอาอัลลอฮฺพานักร้องเข้าบ้านทุกวันแต่ว่าพาเสียงกุนอ่านเข้าบ้านไม่ได้เนี่ยเราก็ทษตอวว่าใจนะเอานักร้องมาเอานักร้องเข้าบ้านกันทุกคนเลยใช่ไหมละ่ะ นุ่งกระโปรงสั้นดีเต้นสวยดีอะไรดีอลลัลลอฮ์จะเสียงคนอ่านเนี่ยไม่อยากฟังนะเรสิดอย า, าสรลนอย่างนี้เตือนนะหน้าอนาถหน้าสงสารอัลลอฮ์อยู่ได้ยังไงเนี่ยบนดุนยาไปเนี่ยทั้งๆที่เข้าหูประจัง่าเองอายุเจ็ดสิบปีแล้วตายนะคนที่มาก่อนหน้าคุณอายุพันปี รอดไม่รอดไม่มีใค่รอดสักคนหนึ่งเงินก็ามากกว่าคุณในคุณอาร์ตี่ผ่านมาเนี่ยหนึ่งในสิบใช่หมหนึ่งในสิบอารับมุชาลิกในละครมา ก, การ์เออรเองจะอวดดีขนาดไหนคนที่มาก่อนหน้าคุณเนี่ยนะรูปร่างก็ใหญ่กว่าคุณเงินก็ามากกว่าคุณอายุก็ามากกว่าคุณอยู่บ้านใหญ่มากกว่าคุณเข้าไปรอดไหมล่ะมีใครรอดสักคนหนึ่งไหม ถ้าทรายศ์ต่ออลองไม่มีใครรอดสักคนผู้อ่านผา่านได้ไหม <c oughs> จำไม่ยันนั่นเลดี <c oughs> อา้าวยกตัวอย่างเงินมากกว่าใครก่ออะไรก่อรูนแล้วรอดไหมละ่ะถูกแผ่นดินสูบลงไป ท, งทั้งทั้งที่เงินขนาดนี้มันน่าจะเข้าสวรรค์ใช่ไหมกษัตริย์ฟาโรห์ทำไมต้องจมน้ำตายเป็นกษัตริย์มันน่าจะอยู่ในสวรรค์ใช่ แลมีเสียงพูดว่าตีลาดูคุลันจันนะกษัตริย์ฟาโรตาได้ไปสวรรค์ไม่มีการนี้มีจะพูดว่าตีลาดูคุลันนะเอ็งพาไปนรกต่ออุปอสุบิลเลยมันจะไานอันุรอานไต้ขอเตือนใจเยอะโอ้พระบามดพละบุอยาหาสตันอะดัลนายบาตโอนะอนาคสภาพของผู้ที่เป็นชินี้ไม่อิสลามอตอิสลามดานบีดาุราน มายติมิรซูไม่มีรสูลคนใดที่มาในโลกใบนี้เลยนะอิ ล, ลกาณุบิอัสตาซูนเว้นแต่พวกเขาประชาชนนะที่แอนตี้เนี่ยนะเยอะๆดูถูกเหยียดหยาดแต่คนที่ให้เกียรติมีไหมมีอย่างพวกเราเนี่ยให้เกียรตินบีให้เกียรติกูอานให้เกียรต<ม>ิโอลรามาอยู่แล้วแต่คนที่ตรงกันข้ามเนี่ยถามว่า เวลาอัลลอฮ์เล่าว่าเยอะเยอะเนี่ยอัลลอฮ์บันทึกบันทึกป่าบันทึกมีชื่อแเดมีวิดีโอด้วยถ่ายหมดเล ย, ยเอาต่อมากับอายาสุดท้ายอัลัมยะยว่าคำอัลลอฮ์นักนาขอบละหุมมินะลุรุนอันหุมอิไลมรอ لا يرجعون ألم يروكم أهلنا ك قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون อัลลอฮฺอักบคนที่ตายในสภาพที่เย่อหย้อยกรรรมคนที่ตายในสภาพที่แอนตี้อิสลาม คนที่ตายในสภาพที่ปฏิเสธอัลลอฮ์ไม่เชื่อว่าตายแล้วฟื้นเนี่ยขาดทุนหรือกําไรขาดทุนใช่แต่ตอนอยู่บนดุนยาเนี่ยอร่อยไหมนี่อัลลอฮ์ให้นะอัลลอฮ์ให้เองเอาไปโลกเดียวนาะโลกดุนยาใบนี้เองเอาไปเลยนี่นี่แค่ไม่ไม่เอาเอาลัลลอฮ์อีกสองโลกนะอยู่บนดุนยาเนี่ยอยู่สบายไหมสบายเลย ก็มองเรื่องการเมืองเป็นยังไงเลยเป็นว่คนนี้ข่าวคนนี้จะออกอร่อยต้องทะเลาะกันทำไมล่ะก็มันอร่อยงออ่าอรอยหนึ่งหนึ่งมีเงินสองมีไร้ตำแหน่งชื่อเสียงเกียรติยศนี่อร่อยล่านะคกับพี่กู้อานะใครไม่เอาอาจะรอดนะฉันให้สี่อย่างนะไปแย่งกันไปแย่งแล้วมันเพลินเนีมีมีเงิน มีตำแหนง่งมีชื่อเสียงมีเกียรติยศโอโ้โหมีคนต่อนหนา้าตอนหลังเพื่อนาเอาดูต่อไปอาลัมยาเราแปลว่าพวกเขาไม่ได้คิดดูบ้างหรืออาลัมยาเราไม่เคยใช้ปัญญามาังหรือไม่เคยใช้สมองหรือจบด็อกเตอร์จบปัญญาโท ร, รามคำแหง จปญาโทร ธ, ธรรมศาสตร์จุลาทั้งเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยจบจากเขาวงเขวัตอเมริกาใญี่ปุ่นแคนาดากาำแต่ไม่เคยใช้ปัญญาบ้างหรือกรรมอาหะลาคณาเราได้ทำลายไปแล้วน่ะกบลาฮุมก่อนหน้าพวกเขามินัลกุรุนกี่ยุคกี่สมัยในอดีตที่ผ่านมาแล้วเคยศึกษาเคยรู้บ้างไหมล่ะ นี่แสังว่าเราต้องการให้เราอ่านประวัติศาสตร์ใช่ั้มประวัติศาสตร์คนในอดีตเนี่ยอย่างฟาโรตตายเพราะอะไรล้วแปลกนะพอฟาโรตใกล้จะตายเนี่ยมีเสียงพูดว่าอามันตุฉันอิมาแล้วพี่น้องเคยคิดว่าผมนั่งคิดอยู่จะจมน้ำตายอีกห้านาทีเนี่ยอามันตุฉันเชื่อแล้ว ในคุอานอธิบายอย่างนี้ตอนวิญญาณจะออกจะลองเอาล่อให้เห็นหมดเลยเห็นของที่เขาไม่เห็นบนดุนยาบนดุนยาเนี่ยเห็นเห็นโฉนดใช่ไหมเห็นโฉนดเห็นที่ดินเห็นภรรยาเห็นบ้านเห็นรถและของที่มองมาเห็นมลัยกานรกสวรรค์แค่มลัยกาอันเดียวเนี่ยแล้รก็พอแล้วพอเห็นปั๊บอะมลัยกามีเนี่ยเฮ้ยตายจริง อรรถ า, าฉันอินาฉันเชื่อแล้วว่าท่านมีจริงหลักแจ้ท่านไม่ล่ะอาญานี่ยตกันจะเตือนอาลัมยาเราพวกเขาไม่เคยพิจารณาตั้งบกหรือกำอัลลักนามินัลกูรุนกีกีชั่วคนมาแล้วนะครับทีสัตวัษมาแล้ว เราได้ทำลายอาหรับนากราหุมกอดหน้าพวกเขาเหล่านั้นกอดหน้าพวกอาหรับในนครม ก, กาเนี่ยเราได้ทำลายกลุ่มชนที่ต่อต้านดูถูกเยดนยามอิสลามน่ยทาลายมาหมดแล้วไม่เคยรู้มาก่อนเลยอันนาหุมอิไลฮิมลายะรอญยุนพวกเขามิได้กลับมาอย่างสักคน พวกเขาไม่ได้กลับมาสักคนหนึ่งทําไมต้องเอ่ยอาย่านี้เพราะในคุอ่านอายาอื่นในบานี้ทุกคนที่ตายนะขอร้องเอาล้องให้ฟื้นกลับมามาแก้ตัวชีวิตบ น, นโลกดุนยานี้เกือบทุกคนคนดีคนชั่วพูดหมดเลยอะพระเาฉันเห็นแล้วรู้แล้วว่าหลังจากตายเนี่ยอาสาบมันเยอะเหลือเกิโนนะโลให้ฉันขึ้นมาแก้ตัวใหม่ อัลลอฮฺอักบรแล้วอัลลอ์ให้ไหมล่ะนี่อัลลอฮ์เล่าซ้ำไปซ้ำมาอันนาอุมอิลัฮิมลายะริยูนตายแล้วอัลลอฮ์ไม่ให้กลับมาบนโลกใบนี้แต่จะกลับมาอีกทีในโลกนู่นอาคีรอโลกดุนยาไม่ให้กลับครับเพราะท่านมีสามมีสี่โลกอะโลกอลลัมอัวาโลกดุนยาโลกบัซักโลกอาคิรอถ้าจะกลับต้องกลับในโลกอาคิรอย่างเดียว อยู่ในทุกมาชาัดน้นฟื้นคืนชีพอยู่ตรงน้นโลกดุนยาไปนี้กลับมาแก้ตัวได้ไหมไม่ได้แล้วเพราะอลอนรให้อายุเท่าไรบางคน่านปีบางคนเจ็ดสิบปีแต่เองทำอะไรอะ่ะทรยศต่อฉันทาชีวิตเลยนะอาจครับหูตาสว่างแล้วนะเออใช่เว้ยใช่อะ่ะขันคนที่ตายไปแล้วนะไม่ฟื้นขนาดขอร้องนะ ท่นจะกลับไปบอกญาติพี่น้องฉันนะฉันอยู่ในสวรรค์แล้วฉันให้อภัยหมดแล้วจะคุณค่าฉันนะ่ะเอาเรื่องวะไงเอ็งนอนในสบายนอนเป็นอุกุบโบสบายสบายไปเนี่ยก็เล่าตรงนี้อีกตายแล้วไม่ฟืน้นท่นก็มีบางบางบางบางอะไรบางเคแค่นั้นเองนบีอีสาเคยให้คนตายฟื้นขึ้นมาใช่ไหมพูดคําสองคำเราก็ตายตองอะ่ะก็มีจะ เ, เป็นบางเคส จะทำนั่นเองนะอันนี้เตือนนะตายแล้วฟื้นไหมไม่ฟื้นครับไปฟื้นมาอะไรครับในโลกอาคือบานี่ทหาว่าคนตายฟื้นมาเนี่ยนะอีมากระมดเลยนะใช่หรือไม่ใช่ยังเป็นยังไงวอะอ๋อกูถูกทรมานจังเลยเว้ยกูมึงเอาแล้วกูตาบ้าตัวแล้วงั้นกูอานมาให้ให้มาทําไมอะ่ะ ให้น บ, บีมาทำอะไรก็เอ็งไม่เอาน บ, บีใช่ไหมละ่ะจริงจะรอคนตายขึ้นมามาบอกอ่ะฉันให้กูอา่านมาเนี่เกียรติยศขนาดไหนให้น บ, บีมาดันดาน บ, บีอีกเล่าดาสุน่าน บ, บีดากูอา่อานอัลลอฮ์ฉันกูอา่านเล่มนี้พ อ, อยังพอแล้วถึงใครคนตายไม่ฟื้นมาบอกก็ไม่มีปัญหานี่คือคําตัดสินของอลัลลอฮ์เกี่ยวกับเรื่องอ่านมดเลย อลัมยาเราคอาหลนะนากบลาหุไม่นักกรุนพวกเขาไม่ได้คิดดูบ้างหรือตั้งกี่ชั่วคนมาแล้วก่อนหน้าพวกเขาเราได้ทำลายถามว่าที่ที่ทำลายนะ่ะมีอะไรบ้างเยอะไปหมดเลยอ่ะ ทำลายครั้งสุดท้ายที่เราอ่านมาด้วยเสียงตะคอกของใครของยิบรีนตายเรียบไหมเรียบถาว่าคนเหล่าเนี้ยเรามาฟื้นขึ้นมาเนี่ยมันอยากจะฟื้นจะตายไปนะ่ะแต่เราแบบกลัไม่ให้เองอ่ะกลวามกดเอาไว้อย่างนี้เองเชื่อกูนี่เชื่อฉันนี่เชื่อนบีนี่เชื่อกูน น, นี่เดินตามนี้ซะทำเลย อันนาฮูอลลยรยพวกเขาไม่ได้กลับมาอย่างพวกเขาเลยอ้าวถามว่าคนที่ตายอยากกลับมาทำอะไรกูอ่านอธิบายอย่างนี้ลาอันดีอามาลุซอลหันฟีมาตารอกตูฉันจะมาทำอามันทิ่ซแล้วที่ฉันไม่ได้ทำตะร็อกตู ที่ไม่ทำเพราะอะไรประเพณีู่าการเล่นไพยเล่นการบรรนานทำศีนาเที่ยวบารในครับใช่ไหมละ่ะมันเพลินอะ่ะดูยามันก็อร่อยนะ่งมาจะไม่อร่อยนอกจากคนที่มีอิมานตอนนั้นแหละอ๋อเเอ็งเมาทำไมวันนี้เอ้ยเอ็งไม่นม า, นมาเราเป็นห่วงอ่ะพอเตือนมากเอ็เองอย่าย ม, มายุ่มมายุ่มกูัใครตัวใครตัวมนวันไว้แล้วก็อเมริกาพูดว่ายนะสิทธิอะไร อาเศรีมันสชนต้องอิสระต้องฟรีดิมก็ใส่กันมาใส่หูทุกวันทุกวัน ต, Freedom, ต้องฟรีดิมแตะไม่ได้ด้วยเห่มไหมละ่ะมันก็มายังนี้อยู่ตลอดเวลาท่านอยู่บนปุญญาต้องระวังตัวให้ดีแล้วก็อีกอายาหนึ่งนะครับตายแล้วไปอยู่ที่ไหนที่ว่า ว, ว, วิญญาณกลับมาเนี่ยกหกไม่เชื่อเชื่อไม่ได้กหกตัวยอะเราเนี่ยก็สอนไว้อันสุขวิญญาณมันจะมานะ อ๋อวิญญาณตายไปแล้วเนี่ยอ๋อจะปล่อยไามหรืยขนาดขอร้องปล่อยไม่ปล่อยกูอานนี่เม่นชัดนะอันนาหมอิไลหิมลา ย, ยาโยเขาไม่กลับมาอีกแล้วไปอยู่ที่ไหนครับวามิวรออิหิมบรรัตรักุนอิลายามียุมาซูนเขาไปอยู่ในอาลัมบัตสรรักรออยู่อีกโลกหนึ่งนะ ดุลยาเนี่ยโลกที่สองจะกลับมาอีกอีกไม่ได้ไม่มีแล้วไม่กลับไม่จะเดินหน้าเดินหน้าเดินหน้านี่หลักสูตรที่อลัลลอฮ์วางไว้เรื่อหันกลับไม่มีมีแต่ขออุอาศส่งได้อ่าขออัลฮัยยาะเรามาอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้ม่ป้าเราด้วยว่าเดุลซอริฮุนยาดองเราจะให้พ่อฟื้นมาทําอามัณฑุซอแล้วมาบริจาคเพราะที่เงินเยอะไม่มีประโยชน์แล้ ว, วงอลัลลอฮ์ไม่ให้กลับ ลูกช่วยทําได้ทําได้เลยเรนลงมาตาแล้ ว, วาาลกลับไม่กลับถึงต้องสรุปกลับไม่กลับไม่กลับครับเพราะคุรานญาณนี้เตือนอินอันนาหมอิไลายิมลาญาณิาวนั้นก็ต้องวิญญาณก็ไม่กลับวิญญาณไม่กลับไอฝันก็อีกเรื่องหนึ่งนะฉันฝันถึงย่อฝันถึงม้านัอีกเรื่องหนึ่งฝันยังไงก็เป็นๆอย่างนั้นแหละถ้ารับเป็นคนดีนะถ้าฝันเขาอยู่สบายฮัลโหล ถ้าฝันว่าอยู่ลลาบากต้องขอทูอ้าเยอะอย่าไปพูดเยอะนะฝันถึงคนคนหนึ่งยกตัวอย่างฝันแล้วต้องขอทูอ้าเยอะเลยผมก็ฝันเห็นผู้ใหญ่หลายคนนะบางคนต้องขอทูอาเยอะผมไม่เล่าเพราะนบีห้ามฝันไม่ดีเนี่ยห้ามเล่าฝันดีเนี่ยเล่าได้เฉพาะคนใกล้ชิดเท่า น, นั้นเองเชื่อตามนาบีเอาไปเล่าจะไม่ดีลูกก็พอใจไม่ละ มึงฝันแบบนี้มึงดูถูยยอดคุณวะเอาอีตาพรเตว่ากับไปนอนกลับตัวล้มก็ตายแล้วกลับเมีวิญญาตกลับมาไหมไม่กลับครับเพราะคุณอานเน้นหลายอายาเดียวกันว่ามิววารออหิมบัลซาคุนอีละยามียุมอสูตายแล้ววิญญาตอยู่ในอล่บัรักแล้วก็รอที่จะฟื้นคืนชีพในวันตรีมา s u ุ h a n a l l a h u มด a wa b i s h o s t a k u l i k a i صل สล ل ลาอัลลอฮ์ุวะล آل ี و ص ้ ب ัสซาบจะ والحمد ุลิลลอฮ ع ุร์